อ่านอะไรอะนี่ไงดูซิว่าผมอ่านอะไรอืมพระเยซูคริสต์เหรอครับพระเจ้ามีจริงเหรอพี่อยากรู้มีจริงหรือไม่พี่ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองพี่เองนะผมบอกพี่ไม่ได้หรอกฮะเพราะถ้าพี่ไม่ได้เจอกับตัวเองไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองต่อให้ผมพูดสักร้อยครั้งพันครั้งว่าไม่จริงเนี่ยพี่ไม่มีวันเชื่อหรอกผมถึงบอกให้พี่ไปสัมผัสด้วยตัวเองไนงะจะให้ไปสัมผัสที่ไหนล่ะ ก่อนอื่นอ่านคัมภีร์เล่มนี้ก่อนอยากจะอ่านไหมละ่ะพอมีโอกาส ก, าก็ลองเข้าไปสัมผัสบรรยากาศในโบสถ์นะแล้วก็ทําพิธีทางาศาสนาแล้วชีวิตพี่ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันหยุดยัง้งและจะทําทความดีเยอะๆก็จะส่งผลในชีวิตพี่มีแต่ความสําเร็จมีแต่ความสุขพี่อยากได้ไหมละ่ะไอายาก็อยากอยู่หรอกแต่ว่าแต่อะไรฮะจะทําจะจไก่ได้หรอะก็ติดคุกอยู่อย่างเงี้ย เขาคงไม่ได้ย่าให้ออกไปเพื่อทำพิธีที่โบดองนะตอนเนี้ก็ทำตัวทีโอกาสอํานวยก่อนไงขอแค่พี่ตั้งใจภาวนาพร้อมที่จะรับพระเจ้าไว้กลางดวงใจแค่นี้พระเจ้าก็จะมาคุ้มครองพี่ละละอะอุ้ยง่ายขนาดนั้นเลยใช่ที่ง่ายเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ทุกขนแห่งยังไงอะอืมพูดจาดีมากจะไปอ่านไหมอ๋อย่างก่อนเองเอาไว้อ่านในหน้าใจก่อนแต่ข้าต้องติดคุกจริงๆ ของจะต้องขอพึ่งพาคำเพยของเองเนาะวะโดยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยพี่อืมเ้วได้โดนจับข้อหาอะไราทางเรียบร้อยออย่างนี้ไม่น่าจะเออกลาทำผิดกฎหมายอะไรผมถูกใส่ร้ายฮะอ๋อนั่นไงโอ้ยแบบนดีว้วก็บขาเลยเว้ยแต่ไม่เป็นไรอะผมมั่นใจว่าพระเจ้าจะมาช่วยผมใ น, นมิชชันแน่นอนจริงรอะจริงสิพีออ่อ้าๆจะพยายามเช่อนะน้องชายเอออ อ, อ, อ่านคำเพยไปเถอะ รับพี่ ใครน่ะฝนถาว่านั่นใครมีแต่ฝนตกหนักมากถึงกลางลางอ่ะไม่ชัดเลยพี่เองจ้าพี่พี่ไหนสีไม่เป็นผูเลยพี่ยิงยังไงล่ะจำพี่ยิงงฝนไม่ได้แล้วเหรอพี่ยิงใช่พี่เอฝนจะถึงไหม ดีใจจังเลยที่ได้เจอพี่ดีใจแต่โอ๊ยแล้วพี่เป็นอะไรไปอ่ะไมถึงมีเลือดพื้นไปหมดอย่างนั้นพี่ยิ่งไปทำอะไรมาคะคล่าวพี่โดนทำร้ายแล้วแล้วเลือดทุบตมพี่ได้ยังไงพี่โดนทำร้ายนะจ๊ะพี่โดนทำร้ายเหรอจ๊ะช่วยพี่ด้วยนะอย่ทิ้งี่ไปอีกคนนะที่มีความรู้สึกว่าพี่หันหน้าไปทางไหนเป็นแต่คนเมินหน้าหนีพี่ไปหมดเลย ไม่มีใครเข้าใจพี่ไม่มีใครเชื่อในะคะพูดของพี่พกันวยิง่งทมามถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะคะเด็กที่เป็นค น, น้ะฝนค่ะฝนไม่สัญญาคะ่ะฝนจะไม่มไปไ้งเฝนจะรักพี่ยิง่งตลอดไปคะ่ะจริงนะฝนจริงคะ่ะพี่ดีใจและเกินต่อพี่ต้องตายในวลนาทีนี้ พี่ก็พี่ก็พอใจแล้วล่ะเด็ก น, น, น้อยพี่ก็ยังมีคนที่รักก็จยินใจกับพี่จริงๆอยู่อะไม่นลพี่ยิงพี่ยิงจะตายไม่ได้นะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของ ส, สปาร์สบนโลกนี้นะฝนแต่ฝนไม่ยอมครับพี่ยิงเป็นคนดีพระเจ้าจะต้องช่วยพี่พระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วย พระเจ้าช่วยลูกด้วยค่ะฝนเจ้าค่ะ <c oughs> พี่รับฝนคนเดียวนะจ้าฝ <c oughs> นรู้ถ้าพี่ลงตายไปฝน <c oughs> ไม่ต้องเสียใจนะแล้วไม่ต้องแต่งงานคน ต, ตัวเอง <c oughs> โดยไม่เลือกใครอีกเลยคนที่ทําอย่างนั้นนะ <c oughs> โลกนี้ยังมีคนดีอีกเยอะคนที่ดีกว่าพี่มีเยอะแยะเหมือนกันพระเจ้าส่งให้ชีวิตคนเพื่อมาเป็นคนดีของสังคมนับไม่ถ้วนรับปากกับพี่นะวาด จะทำให้ขั้นเด็ดขาดเธอจะต้องเปิดใจรับเึลื่อนไห่ก็มาในใจขอเธอด้วยพี่ยิ้มพี่อาวเดี๋ยวร้องไห้รับปาพี่ก่อนสิว่าไงล่ะฮะพี่ยิ้มต้องไม่ได้นะพี่ยิ้มตายไม่ได้นะระบปากพี่ก่อนสิทำไมถ้าคนจะรักก็ยิ้มคนเดียวแม่ไดตลอดไป ว่าพี่ิ่งจะอยู่รู้ว่าใมแล้วก็ตาย น, นจะไม้ขอพี่ตายีกนอกจากพี่คนเดียวคนรักพี่ิงเธอโธ่ฝนแต่ฉอย่างเงี้ยี่ตายได้ไงฮะตายไม่ได้นะที่ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อทำสองคนเพื่อความรักเราจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันเราจะมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ก็เพืมีคนบอกฝนอย่างนี้ไม่ใช่เหรอพี่จำไม่ได้แล้วอย่างนั้นเหรอคะจําได้สิพี่จําได้ขึ้นใจเชีละแี่อย่างนั้นพี่ก็ต้องอดทนนะคะทนพวกเราสคนมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะทำอะไรฮะฝนจะประทองพาพี่พีหาหมอเลยค่ะพี่จะต้องมีชีวิตรอดฝนพี่รักฝนเลเกินขอบใจมากพี่อบใจเธอจริง เปลี่ยนทั้งมุ่บ้านขนาดนี้แล้วพี่แฮปปี้แล้วฮะไม่ต้องต่นเลนะคะควรจะประคองพี่ไปหาหมอให้ได้อดทนเลยนะคะพี่อี <c oughs> คุณกำลังติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยนำเสนอโดย Nation Entertainment เรสวยงาม t h a n g r o u g h ta. Cho nên mong làm thành t I s t i a n g you. มองเห็นได้ด้และรับรู้ได้ด้วยตาคือของวล้ำค่ายิ่งใหญ่มองเห็นได้อยู่เสมอเพราะสวยงามที่ใจสรมันคือความอัศจรรย์เหลือเกิน Ten m i n u e s t e So. จะล n ง coppy. <Sanly> โทษฝันโชสรมองตัวเองไม่มีค่าใดที่ยังหายใจอยู่คงรอวันนี้รอคนดีพร้อมมันใจวาดไวแสุดท้ายก็พบเอนที่เป็นครงหนึ่งของชีวิตที่าได้จแล้วม d i อาจจะร้อนจะแรงเหมือนกับไฟอาจจะเผาจนใจไม่เกรียมอาจเป็นฝนที่หนาวเน็บฉันก็ยอมเสี่ยงเพียงได้เจอรักแท้จนแนบหนาวเท่าไรไม่กลัวจะเปลี่ยงฝน เท่าไรก็ยอมฉันวังแค่ให้มีคนที่ฉันรักยืนคอยตรงนั้นก็ชื่นใจอยากรักจริงๆสักทีไม่ว่ารว่าดีฉันพร้อมลด้วยใจ จะเปียงฝนเท่าไรก็ยอมฉันหวังแค่ให้มีคนที่ฉันรักยืนคอยตรงนั้นก็ชื่นใจอยากมีรักจริงๆสักทีไม่ว่าร้ายว่าดีฉันรอ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 ฝันร้ายหรอฝัน love, ว่าอะไรมั <fry UC S> ่งล่ะฮะฝันฝันแปลกจังเลยแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันแปลกยังไงเธอยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฉันฟังเลยนะฝนฉันฉันฝันว่าพี่ยิ่งมีเลือดท่วมตัวเลยแต่เลือดนั้นไม่รู้มาได้ยังไงพี่ยไปโดนใครทําร้ายมาก็ไม่รู้ไม่เห็นมีแผลแต่ว่าเสื้อนี่เปื้อนเลือดเต็มไปหมด แล้วพี่ยิ่งก็ร้องครวญครางจะตายซิให้ได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> เขายังบอกอีกนะว่าให้ฉันนะเปิดใจรับเพื่อนผู้ชายคนใหม่ถ้าเขาเป็นอะไรไปอะ่ะแล้วเธอตอบเขาว่าไงล่ะไม่ฉันไม่ยอมหรอกอ๋อรู้แล้วตอนที่เธอละเมอว่าไม่เนี่ยไม่ไม่ไ ม, ไม่นั่นก็หมายความว่าเธอกําลังบอกเขาว่าไม่ยังไงก็ไม่ยอมมีใครขอมีแต่พี่ยิ่งคนเดียวใช่ไหมไม่รู้สิฉันละเมออย่างนั้นเหรอ อืมเพราะเสียงละเมอของเธอนี่แหละฉันถึงต้องปลุกเธอยังไงล่ะมีใช่แล้วล่ะที่ฉันละเมยว่าไม่นั่นน่ะไม่ใช่ตอนที่ฉันพูดกับพี่ยิ่งเพราะฉันได้ไปประคองพี่ยิ่งไปหาหมอแล้วอ้าวเหรอจ๊ะเธอว่าพี่ยิ่งของเธอจะมีเคราะห์ไหมน่าจะมีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนฉันก็ไม่เก่งเรื่องทายความฝันซะด้วยสิแต่เธอก็ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้ใช่ไหมล่ะ ฉันประคองเขาไปหาหมอนะแต่ว่ายังไม่ถึงมือหมอหรอกฉันก็ตื่นซะก่อนนะ่ะนั่นแหละเขาจะพ้นเคราะห์แน่นอนเพราะว่าเธอไปช่วยเขาเอาไว้แล้วเหมือนเธอจะไปสะเดาะเคราะห์ให้เขานะจริงเหรอจริงสิเธอไม่เชื่อหรืองไงก็เชื่อบ้างเหมือนกันเอางี้พรุ่งนี้เธอโทรไปหาเขาที่บ้านสิอุ๊ยใครจะกล้าล่ะบ้านพลตำรวจเองชีวนะไม่กล้าแล้วจะรู้เรื่องไหมเนี่ยก็ต้องรอเขาโทรมาหาฝนเองอะ เขาเคยโทรมาแล้วนี่นาใช่แต่เขาเป็นคนแปลกมากๆเลยนะแปลกยังไงก็นานๆถึงจะโทรมาหาสักทีนึงถ้าหวังจะเขาโทรมาบ่อยๆคุยสับเพเหระแล้วเราก็ไม่มีทางหรอกกับผู้ชายคนเนี้เหมือนคนเย็นชาในเรื่องของความรักยังไงก็ไม่รู้นะเธอว่ามะไม่หรอกเขาเป็นคนอย่างนั้นเองเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ชอบพูดอะไรไร้สาระเขาคงจะนึกนหะว่าโทรมาแล้วจะพูดอะไรดีคงจะเขินนะ แหลกดีนะคนรักกันมีแต่จะโทรหากันวันละสามเวลาหลังอาหารนี่อะไร น, น, นานๆโทรทีแล้วนี่เขารับปริญญาไปแล้วจะได้เจอกันมากน้อยแค่ไหนแล้วเนี่ยเอาเถน้าแม่แคร้ก็ต้องได้เจอกันนั่นแหละจ้าแม่น้ำฝนผู้แสนใจเย็นของฉัน ครับพี่เมือ่อคืนนี้ฝันแปลกฝันว่าอะไรล่ะพี่โอฝันว่าท้องฟ้าสว่างไสวแล้วก็ได้ยินเสียงหงวัวระแสดงความมีใจอะไรกันไม่รู้พยายามมองหาเจ้าของเสียงแต่ก็ไม่เห็นมีใครแล้วพี่ก็เดินไปข้างหน้าคนเดียวหมู่ดาวที่อยู่บนท้องฟ้าเหมือนเดินตามพี่ไปด้วยนะโอ๋ลอ <c oughs> งแบบเนี้มีข่าวดีแน่นอนเลยพี่โอ้เงินเอเอใช่คข่าวดีวดนะน้องะแ น, น่นอนเลยพี่อืแหมข่าวดีอะไรน้อง พี่นะมีข่าวดีอคดีของพี่จะมีการขึ้นศาลแล้วนะพี่นะอาจจะต้องติดคุกตลอดชีวิตทั้งๆ ท, ที่พี่ไม่ได้ทําด้วยนะนี่ย่างไงเราจะมีข่าวดีได้ยังไงพี่ชื่อผมหรือเปล่าล่ะ อ, อน้องเป็นหมอดูเหรอกล่าวแต่ม่รู้กัแล้วกันหนะ้าแล้วเชื่อได้หรือเปล่าลพี่ประสูจนได้นี่นาะภายในวันสองวันเนี้พี่ได้ออกจากคุกแน่นอนอ่ะว่าไงนะ นี่นี่นี่น้องพูดจริงเหรอจริงสิผมไม่เคยโกหกใครหรอกเออเดีวพี่จะคอยดูอ่าแล้วพี่ละน้องเมื่อคืนพี่ฝันอะไรมัร่อไรเปล่าฮะฝันสิพี่ฝันว่าอาทิตย์พุ่งลงมาต้องมาปักอกพี่เลยพี่ดิ้นยังไงก็ไม่หลุดไฟงเงี้ยแผดเผาพี่โอ้ยปวดแสบปวดร้อนไปหมดเลยเป็นอะไรไหมเออว่าไงละน้องออไอกรณีของพี่เนี่ยมันอาจจะต้องติดคุกนะครับติดคุก พี่นั่นเราต้องติดคุกเหรอก็แค่อาจจะนะพี่ผมแค่เดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่าเพิ่งไปเชื่อนะฟังหูไวหูกันแล้วกันนะพี่โอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ไม่มีวันติดคุกหรอกน้อเอ้ยไอ้ลาสมพัครับผมออกไปได้น้าไม่มีความผิดนายพ้นขอกล่าวหาแล้วโยดีดีดีน้องแหม่ขอบใจมากนะน้องถ่ายแบตต์ยาวมาก น้องเป็คนดีพระเจ้าต้องคุ้มครองน้องโชคดีนะพี่นะนเช่นเดียวกันน้องแม้ได้ออกจากคุกแล้วดีใจจังเลยเออดีใจอย่า ก, กลับไปอีกล่ะ <c oughs> กลับมาคาวนี้เราเมหัวตเอย